ขอนโมทนาสาุการในท่านสาธรณชนทั้งหลายประสูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องอปิยศสูตรแปลว่าสูตรที่ทำคนให้ไม่น่ารักกับน่ารักนะฮะเป็นประธรรมเทศนาที่พระเจ้าทรงประรบอัยาศิยของพระองค์ หมายความว่าปรารถนาที่จะแสดงเหตุซึ่งทำให้คนไม่เป็นท่รักหรือว่าเป็นท่รักของบุคคลอื่นเป็นความปรารถนร่วมกันของบุคคลทั้งหลายคือปรารถนาให้ตนเองเป็นท่รักของคนทั้งหลายแต่าการจะเป็นที่รักหรือไม่เป็นท่รักเนี่ยที่จริงมันเป็นผล ซึ่งจะเกิดขึ้นมาจากเขตเหก็คืออยู่ที่ตัวคนแต่ละคนนั่นเองมายความว่าใครทําตนให้เป็นทิรักได้คนนั้นก็จะเป็นที่รักของบุคลอื่นเองแต่แม้เราปรารถนาให้ตัวเองเป็นทิรักเป็นที่ชอบใจคนอื่นแต่เราขาดคุณธรรมที่เป็นฐานมันก็เป็นทิรักไม่ได้ ในช่วงนี้เป็นช่วงวันนี้ก็เป็นวันคริ ส, สต์มาสเราจะสั้งหลายลองสังเกตว่าคริสต์มาสนั้นครอบงำสังคมไทยอย่างแรงมากเมื่อเรี่คริสต์มาสแทบ y นในเยอรมันมาตั้งแต่ต้นปีปลายเดือนพฤศจิกาแล้วก็มาเรื่อย แล้วไปต่อถึงเดือนมกรา แ, แสดงว่าวันคิดมาดันได้มีอิทธิพลครอบงาตสังคมไทยไม่น้อยกว่าสองเดือนมีการพูดถึงมีกิจกรรมมีการแสดงแต่ที่น่าสังเกตก็คือแต่ละเรื่องก็จะเน้นไปที่รัก ไม่ว่าจะพูดถึงซันตาครอสไม่วาจะพูดถึงเรื่องพระเยซูพระนางมาเรียาหรือพูดถึงของขวัญต่างๆวันคริสต์ามาสก็นเน้นไปที่ความหลับต่เป็นลักษณะทางสังคมที่มุ่งให้ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยทำตัวเป็นหลับือเป็นแบบอย่าง ก็นำมาจกจ้องเสริมกันเต่การที่คนไทยเข้าไปมีบทบาทร่วมผลก่อนไปบรญยาปรพรมที่มาเฉลี่ยกันเสร็จยังนึกขำเราไปดีคณะหนึ่งเป็นไทยแท้เลยมีรุนตีไทยนิสิตก็เล่นรุนตีไทย อีกคณะหนึ่งก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับวันคริสต์มาสมีซานต้าที่เป็นผู้หญิงด้วยไอ้จริงซานต้าคลอดเป็นผู้ชายนะมีซานต้าที่เป็นผู้หญิงด้วย ก, ก็สนุกสนานแต่ว่าถ้านานๆนนไปเนี่ยยังนึกว่าความคิดแนวนี้น่าจะครอบงำสังคมไทยแรงขึ้น เพราะว่าสื่อสารมวลชนเมลานีบางรายการเนี่ยเราจะเห็นว่ามันรับรับผลประโยชน์มาจากต่างชาติชัดเจนนะแล้วก็มีกิจกรรมที่ที่แบบตะวันตกจะทำให้ลักษณะอย่างหนึ่งก็คือเป็นการเรียกร้องต้องการความรักจากบุคคลอื่นแทนที่จะสร้างเหตุเพื่อ ให้ตัวเองเป็นจุดสุดใจแต่ไม่ได้สอนให้ปรับเปลี่ยนในในตุกคนเนี่ยนะฮะเพียงแต่ว่าเรียกร้องความรักจากบุคคลอื่นลักษณะเหล่านี้มันก็ทำนองพรปีใหม่ส่งสอขส้อศอเราแปลว่าส่งความสุข จริงมันน่าจะเป็นมัจนะฮะมันน่าจะสู่ความสุขหมายความว่าคนเราต้องการความสุขก็ต้องต้องเดินไปบนเส้นทางที่จะให้เกิดความสุขแต่เรามองคล้ายๆกับความสุขนั้นจะเข้าซองหรือเข้ากล่องส่งให้กันได้แล้วก็รับกันได้แล้วจะเกิดความสุขก็้สึกว่าง่ายดีแต่แนวพุทาสนานั้นจะพูดถึงตัวเหตุ ที่จะก่อให้เกิดผลตามที่เราต้องการในที่นี้ทรงแสดงไว้ทั้งสองเหตุหมายความว่าแม้เราจะปรารถนาให้ตนเองเป็นที่รักของบุคคลอื่นแต่ถ้าเราไม่มีคุณสมบัติหรือไม่มีคุณธรรมที่จะเป็นแม่เหล็กดูดดึงความรักเข้ามาหาเราความรักก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเรามีคุณธรรมเหล่านั้น แม่เราไม่ดึงอะไรคนก็ไปหาเราเองทรงแสดงไว้ข้อแรกนะฮะเจ็ดข้อคือคื อ, ค, อคือตั้งหมดก็สิบสี่ข้อด้านลบสี่ด้านลบเจ็ดด้านบวกเจ็ดแต่ทรงแสดงว่าใครก็ตามที่ปฏิบัติตนในเรื่องเจ็ดเรื่องเนี่ยจะไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจ ของบุคคลทั้งหลายคือหนึ่งเป็นคนที่ปฏิบัติเพื่อลาภหมายความว่าจะกระทำอะไรก็ตามมุ่งจะได้ประโยชน์เพื่อตัวเองจะก็ผาสมาคมจะเกี่ยวข้องจะรับใช้อยากเข้าร่วมกิจกรรมอะไรกับใครก็มองถึงสิ่งที่ตัวเองจะได้ ลักษณะความคิดที่ว่าเราจะทำอะไรทำกับใครทำอย่างไรทำแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรซึ่งเป็นการพบกันที่โลภะหมายความว่าแต่ละคนแสดงโลภะออกมาเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วโลภะนี้จะเพิ่มมันกลายเป็นโทสะเพราะว่าผลประโยชน์หรือลาบเนี่ยมันมีความจำกัดในตัวของมัน แตตัวโลภะที่มีอยู่ภายในใจเรานั้นไม่จำกัดเมื่อคนใช้โลภะเข้าเป็นหลักในการพัฒนาสมาคมกันแล้วก็แสดงความเห็นแก่ตัวอกแสดงความเห็นแก่ตัวจัดคือบุ่งได้ลาบได้ผลประโยชน์จากกิจกรรมเหล่านั้นในสุดมันจะยื้อแย่งตัวลาบแต่จะโกรธตัวคน แต่เราสังเกตนะฮะมันก็มีอยู่สองตัวคือว่าผลประโยชน์ที่แต่ละฝ่ายต่างอยากได้ก็ทําให้ฝ่ายหนึ่งไม่พอใจอีกฝ่ายหนึ่งเพราะมายื้อแย่งผลประโยชน์ที่เราอยากได้ก็ทําไม่โกรธที่คนแล้วก็ด้วยความอยากได้ในตัวตวัตถุก็สรุปง่ายว่าคือความเห็งแก่ตัวนั่นเอง ลักษณะาการเข้าผ่าสมาคมของคนที่เห็นแกีตตัวหรือคนที่เห็นประโยชน์ของตัวแม้จะสองคนก็สร้างสามัคคีไม่ได้ไม่ต้องกลายแอบไม่ต้องกล่าวถึงหลายหลายคนบางคนก็ตามที่แสดงความเห็นแก่ตัวหรือว่ากระทำอะไรไปเพื่อผลประโยชน์ก็ชื่อว่าเป็นการเพิ่มความไม่น่ารัก ทำให้ตนไม่เป็นที่รักของบุคคลอื่นในข้อนี้ก็ทรงสอนให้มองเห็นโทษโทษงความการปฏิบัติในการกระทำที่มุ่งลาบสักการะประการที่สองหรือมุ่งสักการะมุ่งลาบมุ่งสักการะมุ่งชื่อเสียงจริงทั้งสามอันมันก็เป็นวัตถุกรรมด้แกันั่นนะครับลาบสักการะชื่อเสียงสักการะก็คือความเคารพนับถือ โดยเห็นว่าเป็นวิธีการที่ตัวเองไม่ได้ลดไม่ลดกิเลส น, นะฮะเตืเอนเพิ่มกิเลสแต่อยากได้สถานะของคนที่ลดกิเลสเพราะการบัตรแนวนี้จึงทําทุกอย่างเพื่อได้เพื่อได้ศักการะเพื่อได้ลาบเพื่อไดสักการะชื่อเสียงก็รวบก็ไปเลยแล้วกันนะฮะสามอย่างเ ทั้งลาบทั้งสักการะทั้งชื่อเสียงนั้นเป็นวัตถุกรมบุกคนมีสิทธิ์ได้แต่ไม่ใช่ได้ด้วยความโลภจะต้องได้ด้วยความดีในกรณีนี้จะเป็นการได้ด้วยความโลภความเปลี่ยนแก่ตัวจะทำให้มีการปฏิบัติบางอย่างที่เราเรียกว่าไม่ได้ด้วยเล่ก็เราเอาด้วยคกนไม่ได้ด้วยมนก็เอาด้วยคาถา หือต่างใช้ทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ลาบเพื่อได้สัก ก, การะการปฏบัติที่เราเรียกว่าเสียแซงมารยาเจ้าเล่โอ้าอวหรือแข่งดีอะไรต่างๆมันจะเกิดขึ้นทั้งหมดนั้นเป็นอากาศมากที่สดและเนื่องจากบันรมเป็นกระบวนการ ทำให้คนซึ่งได้รับข่าวสารในเกี่ยวกับเรื่องหลดนั้นขาดปัญญาพนิพพิจนาแล้วทำให้เกิดไปหลงเชื่อหลงให้ลาภของหลงให้สักการะแก่บุคคลหลดนั้นแล้วก็ตกเป็นเครื่องมือในการโฆษณาให้ชื่อเสียงแก่บุคคลหลดนั้นเราจะเห็นว่า เป็นการปฏิบัติที่ที่ไม่มีความบริสุทธิ์อยู่ภายในแต่ในขณะเดียวกันเราก็อยากได้สิทธิของผู้บริรบสุทธิ์เพราะราบสการะชื่อเสียงได้เรียกว่าหุนโยประหุโนโยตะกิตโยยิริกาหนโยเป็นผู้ควรของคำนับเป็นผู้ควรต้อนรับเป็นผู้ควรทาบุญเป็นผู้ควรพนมมือไหว้มันเกิดจากความบริสุทธิ์ เกิดจการปฏิบัติดีปฏิบัติตรงข่านตอนนั้ น, น, นแต่เราก็ไม่อยากปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันลาบสักการะชื่อเสียงเป็นสิ่งที่ปรารถนาของคนทั่ไปปัจการปฏิบัติทุกวิธีทางจึงเกิดขึ้นของผู้ที่มุ่งไปในเรื่องเหล่านี้นะครับผู้ที่มุ่งไปที่ลาบที่สักการะที่ชื่อเสียง ก็เป็นอาการของโลภะเป็นอาการของตัณหาเป็นอาการความหินเกบตัวสำนวนในศาสนาทัานใช้คำคำหนึ่งทัานใช้คำมาปรารถนาลาหมกปาปิดโฉวเป็นลนักษณะคำสอนที่ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินยัยไม่ใช่คำสอนอะพุทธศาสนาองค์ได้าบสักการะชื่อเสียงความยกย่องความเคารพนับถือจากบุคคลทั้งหลาย แต่ทีนี้ตะบันมาโดยธรรมชาติของมันมันก็เป็นเรื่องเป็นอีกเรื่องหนึ่งคืออีกชุดหนึ่งก็ อ, อยู่ในชุดหลังชุดเจ็บคอประการต่อไปคืออหิริกะแปลว่าไม่มีหิริอหิริกะเราไม่ค่อยได้ยินนะครับเพราะว่าเวลาบาลีก็แปลเนี่ยเ ข, เขาไม่ใช้ก็ไม่ใช้คำว่าอหิริกะอโนตตะปะเขาไม่ใช่อย่างนั้นเพราะมันมันแค่แคภาพภาษามันเกิดยากเราึใช้คําว่า ไม่มีฮิริไม่มีอัตัาปะไม่มีฮิริก็คือไม่มีความละอายแก่ใจในการกระทําเพื่อลาบเพื่อสักการเพื่อชื่อเสียงในชัยทุวิตรีฐานความคิดพวกนี้บางทีน่ากลัวนะฮะความคิดในรัตนะส่วนเมืองผีคอยดีเมืองคนเนี่ยเป็นความคิดที่น่ากลัวมันมีคําคําหนึ่งในปัจจุบันที่ ที่นิยมใช้พาเรื่องนี้อธิบายได้เรื่องนี้ผมอธิบายได้มีคนก็โทรศัพท์มาให้ฟังรายการวิทยุคลื่นหนึ่ง ไ, งไม่ทราบใครพูดปากคอสัน่นอะไรก็ลองฟังก็ดูนะเมื่อคืนวานเนี่ยก็ฟังดูเป็นการชี้นำที่น่ากลัว มันควา ม, มาทำลายฐานของคุณธรรมมันมองในแง่สังคมไม่ได้มองในแง่คุณธรรมผู้เรื่องพรหมจันทร์อะไรต่ออะไรเนี่ยนะะมีความจิมจำเป็นจริงหรือไม่โน้มเอียงชี้นำไปในทางที่เห็นไม่เห็นความจำเป็นซึ่งหมายความว่าอันนี้ที่จริงมันเป็นมาตราองคุณธรรมหรือถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์ของความเป็นมนุษย์เป็นต้นมานะฮะ คือไม่ต้องการในคนรู้อํานาจแก่กิเลสเพราะกิเลสมันจะเพิ่มความรุนแรงมันเหมือนกับไฟนะฮะมันให้เชื้อมาแล้วก็ไปเรื่อยทุกลามไหม้ไปเรื่อยเป็นการทําลายฐานของศีลธรรมทําลายฐานคุณธรรมก็สู่ของเขานะฮะสู่กองเขาที่ทรงแสดงในธรรมาจักรวัตตะสูที่ว่าโปโนปริกามันก็เกิดความมีความเป็นเรื่อยไป แล้วจะกําหนัดเพลิดเพลิน อ, อ, อยู่ในเรื่องเหล่า น, นั้นส น, นุกสนานอยู่ยกับเรื่องหล่า น, นั้นไอ้จิตใจก็จะเพลิดเพลินยิ่งขึ้นแล้วในสุดมันจะนําไปสู่อาจฉรกรรมอะไรต่างๆอีกมากมาย ก, ก่กองมาเจ็บแล้วความคิดแนวนี้ถ้าเราลองสังเกตความคิดสังคมนะฮะพวกนี้พยายามชี้นําสังคมอยู่ตั้งสี่ชั่วโมงน่ากลัวมากแล้วชี้นําไู่ทุกคืนด้วยนะะแล้วในสุดคนรุ่นใหม่นะฮะคนรุ่นใหม่เนี่ย ที่ที่ว่าหลักศีลธรรมจริยธรรมซึ่งซึ่งสะสมมาเป็นพันพันปีแล่เราพัฒนามนุษย์ออกมาสูงประสมพวดแล้วนะฮะก็เด็กจะได้กระแสความคิดใหม่แต่มีความร่้มเอียงไปในทางนั้นจังทางในขาดอิริขาดอิริคือขาดความละอายต่อบากมากทีเดียวแต่กลายไปเรื่องที่น่ากลัว แต่วเราก็ต้องมองในแง่อุเบกขานะฮะคือว่าก็ปล่อยไปตามกรรมคงจะช่วยอะไรไม่ได้ก็จะป้องกันห้ามปรามอะไรก็ยากแต่สรุปว่าเป็นความคิดน่ากลัวเพราะมันขาดพื้นฐานของิที่นั้นเป็นเป็นฐานของมนุษยธรรมทีนี้พฤติกรรมที่ขาดที่นั้นเราจะเห็นว่าก็แบบสาาัตว์นั้นมีไม่มีจิตสํานึก ไม่มีจิตสานึกของความลายต่อปากเราขอให้ได้กัแล้วกันพร้อมจะยื้อแย่งพร้อมจะทำลายกฝ่ายหนึ่งแต่อธิบายได้ากมว่าอธิบายได้แต่นั้นแหละแต่มันถูกต้องตามทํานองของธรรมหรือไม่พวกนี้จะไม่รับผิดชอบในจุดนี้เพราะจริงคัดลองแห่งธรรมหรือว่าคุณธรรมเนี่ย ทำให้คนต่างากับสัตว์ตรงนี้เองพอคนทิ้งทำคนก็เรวกว่าสัตว์มันรุนแรงกว่าสัตว์พอคนสามารถใช้เครื่องทุ่นแรงอะไรต่างๆเข้ามาประกอบอาถรรพ์สนองความต้องการตนได้อีกมากแสดงว่าฐานของชีวิตเนี่ยไม่มีความหมายอะไรและอโนตตรปปะคือไม่ละอายต่อบาป ไม่สะดุงสะเทือนกระบาดอกุศลต่างๆหมายความ่ามุ่งมั่นที่ลาบสักราระชื่อเสียงไนะ่ะมุ่งมว่นที่ลาบสักราระชื่อเสียงขอให้ได้ลาบสกราระชื่อเสียงไม่คำหนึ่งถึงวิธีการในการได้ขอให้ได้ขอเพียงได้นี่คือจุดที่เป็นอันตรายการแสวงหาลาบบรรณกร น, นี่มีโยมก็มาคุยเรื่องเนี้ย หนึ่งพระอามาบอกว่าพระที่จริงเราก็มีวิธีวิธีที่จะให้ได้ลาสักรารชื่อเสียงถ้าจะได้นะมันได้เป็นจยางสี่ทางถ้าไม่ได้คือไม่ได้แล้วไม่ต้องไปเรือดร้อนการประพฤติปฏิบัติทั้งสี่ประการนะฮะในใ น, ในสังฆคุณเนี่ยทีนี้สมมติเราจะได้จากข้างนอกเราก็ได้แนวบินทบาต แนวญาติปรนาญาติโยมปรนให้เรียกร้องสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ตามต้องการแล้วก็แนวพระป่าแนวกจินนะเราจะเห็นว่าการรับในสี่ลักษณะนี้เป็นการรับในทางที่ถูกต้องแต่การรับโดยวิธีอื่นโดยไม่คำหนึ่งถึงวิธีการในการได้ มันจะไปขัดแย้งกันตรงนี้ขัดแย้งการปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัตเป็นธรรมปฏิบัติสมควรถ้าถามมาได้ไมั้ยมันก็ได้นะก็เล่าตะการะประกาศจะได้ชื่อเสียงยได้ก็ได้จะเป็นการได้มาในทางที่ไม่ชอบทำเพราะพวกนี้พึงสังเกตว่ามันไม่ใช่เป็นการได้มาโดยความดีเสมอไปนะ โดยโดยความชั่วก็ได้นะล่าสกสาระชื่อเสียงนี่ก็ได้ชื่อเสียงต้องการจะได้มากๆ ม, มีเงินมากๆจ้างหนันคือพิมพ์ให้โปรโมทพักเดียวโปรโมทออกโทรทัศน์บ้างซื้อพิมพ์บ้างวิทยุบ้างเชียร์พักเดียวก็ดังนะคนเชื่อสักักเรียกว่าร้อยคนเชื่อจะ่สามสิบคนเ่ยนะฮะก็ขี้เกียจจะรวยละ แ, แนวเหล่านี้ยเราจะเห็นว่าเป็นแนวเพราะก็เหมือนกับปลุกเสกอะ่ะคือเราไปมองเฉพาะพระปลุกเสกแต่จริงปลูกเสกเนี่ยคือการประชาสัมพันธ์การโฆษณาการโปรประกันด่าการอะไรตรัวอทุกวิธีต่างโฆษณาชวนเชื่อทั้งหลายเนี่ยจริงๆว่าคือปลุกเสกนั้นหมายความว่าไปกระตุน้นไปกระตุ้นอะไรไปกระตุ้นให้ให้ดูให้ฟังให้ดมให้ลิ้มให้จัดต้อง ไอ้คิดมันก็กลายเป็นสัมผัสสัมผัสมันเกิดเวทนาทีนี้บางอย่างเนี่ยเราเราไม่ได้เห็นชัดนะนะแต่คนก็ปลูกคนก็โฆษณาให้แล้วเกิดเวทนาเกิดเวทน า, เเนามนเกิดตัณหาเกิดปตัณหามันเกิดอุปาทานก็คือจยุดมันเข้ากระบวนการกิเลสที่ที่ที่เห็นได้ชัดมากกวงการธรรมะเห็นได้ชัดมันก็ก่อให้เกิดความมีความเป็นคือเกิดพบ เกิดสถานะเกิดความมีความเป็นขึ้นมาทิ่งเหล่านี้จึงได้มาในทางที่ชอบทำก็ได้นะไม่ชอบทำก็ได้หมายความว่ามีฮิริโอตาปะเป็นฐานก็ได้ไม่มีก็ได้เราสกราระชื่อเสียงนี่ก็ได้มาทั้งสองทางบางทีวิธีชั่วๆอย่างอย่างขนาดนี้เราลองสังเกตว่าจ่าเพรียินนี่มากจริงๆไม่รู้เป็นยังไงไม่น่าเชื่อบางทีเป็นพันพันกิโล คนตายไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะฮะแต่ออกไปได้ฟันกี่โดสแสดงว่าจิตใจของพวกนี้บาปจากช้ามากเคยถามพวกรับผิดชอบในเรื่องนี้มันก็เข้าสู่ที่ว่าอธิบายได้นะะก็ไปพบกับเขาที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ถามทำไมมันปล่อยปละละเลยกันได้เลยนั่งคุยกันที่เชียงใหม่นะ ก็บอกอาจารย์โดยคิดอะไรพวกอเมริกามันก็ค้าขายอาวุธมันก็ค้าคนเหมือนกัน่ะเราค้าขายเรา อ, าอินกาาว่าค้าคนเหมือนกันไม่เห็นต่างอะไรกันหมายความว่าอเมริกาชั่วยได้เราก็ชั่วยด้วยกัแล้วกันเนี่ยคือแสดงว่าพวกนี้ไม่คำนึงถึงวิธีการในการได้ขอให้ได้ขอให้ได้เท่านั้นคนอื่นจะเดือดร้อนคนอื่นจะสูญเสียจะพลัดพลากยังไงก็ก็ไม่ได้คิดอะไร หรือว่าแนวของนาย ไ, ไออะไรอ่ะแจ๊คคิมเนี่ยนคิมที่เป็นชาวเกาหลีที่สเผยแผ่ศาสนาก็ที่จริงมันก็แบบเดียวกับพวกเชียงมันมูลสาธุคุณมูลคนนี้มันต้องการมันจะได้เขาคือพ่อแม่ที่แท้จริง ตั้งตัวเป็นพ่อแม่ดิแท้จริงพ่อแม่พ่อแม่นั้นไม่ใช่พ่อแม่ดีแท้จริงเขาพ่อแม่ในโลกนี้แล้วก็ในโลกหน้าก็ไม่น่าเชื่อนะฮะคนไทยซึ่งนับถือพุทธศาสนาเ น, นี่ไปเชื่อเยอะเลยวีดีแล้วเจียงเชียงมันมูลเอาคนไทยไปแต่งงานตั้งหกร้อยคู่แต่งงานสากลเนี่ยนะฮะเอาไว้ได้ตั้งหกร้อยคู่ ดังนั้นใ่เราพยายามชี้แจงพยายามอธิบายเกิดความเข้าใจว่าวงนี้มันสร้างจั ก, กรวรรดิมันร่ํารวยมหาศาลมีบริษัทตั้งร้อยกว่าบริษัททั่วโลกเลยรวยเหมือนลูกลูกก็แปดคนเหมือนแต่เจ้าชายเจ้าหญิงเนี่ยนะฮะมีขรือหาญอยู่ไม่ต้องทํางานอะไรอะ่ะบริวารบริษัทบริวารขนเงินไปนะนี่คืออะไรคือเขาได้ลาบได้สักกาได้ชื่อเสียง เขาเองไม่ได้คิดมีมีความละอายอะไรแต่เขาก็ได้นะเขาก็ได้เขาก็รวยแล้่คุณมูนเป็นบาทหลวงจนๆตอนนี้รวยจังเป็นเป็นคนมีชื่อเสียงระดับโลกนะฮะที่ที่อเมริกาเองก็หวั่นไหวล้าเขาเข้าไปที่อเมริกาตอนนี้เมริกาในประเทศมาก่อนเราเข้าไปก็หลีนเหนือตอนนี้รู้สึกถูกจับอยู่ที่เกาหลีใต้นะ นั้นเราเห็นนะชัดว่าเขาไม่ได้คาหนึง่งเขาไม่ได้อายบาปไม่ได้กลัวป่าแล้วเขาเข้าหาเด็กเพราะเด็กนี่มันหลอกง่ายนะเด็กมันหลอกง่ายที่เราพูดเด็กกระตันยูได้เพราะเราเน้นเฉพาะเรื่องความดีของพ่อแม่เราไม่เอาความไม่ดีของพ่อแม่พ่อแม่อาจจะดุจะด่าจะเกียยตีเราก็อธิบายให้เกิด ค, ความเข้าใจพวกนี้จะเอาส่วนที่ไม่ดีนี่มาพูด ซึ่งแ น, แน่นอนว่าเด็กว่าก็เคยคงจะถูกห ล, กลกูถูกด่าถูกกิ้ตีเป็นธรรมดานะลูกแกก็เอาจุดนั้นขึ้นมาหรือบางทีแกก็ให้เล่าสอบถามให้เล่าส่วนมากเด็กที่มีปัญหาเด็กที่มีปัญหาบ้านแตกไปโมดสุมไปครุขีอยู่กับเพื่อนพวกนี้ก็เข้าไปสมัยที่ฮิปปี้มันก็มีลักษณะอย่างนี้ พวกคนที่ขาดความละอายบาปความสะดุ่งควตระบาปไปหลอกเด็กติดสิ่งเสพติดปันป่วนวุ่นวายไปทั้งโลกเลยแลนนี้ก็มายเนี่ยนี่นั่นคือคือเหตุการณ์เป็นการกระทําของคนที่เราเห็นใน้ชัดเจนว่าเขาปรารถนาลาศการชื่อเสียงแต่ว่าเขาขาดฮิริโอตปะคือไม่มีฮิริโอตปะจะภายในใจ การกระทำคนล่านี้จึงสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายให้เกิดขึ้นแก่โลกการความแตกแยกร้าวฉานการขาดสามัคคีครอบครัวแตกนฮะแตกเป้เงเลยเด็กไม่รับถือพ่อไม่รับถือแม่แต่วันก่อนไม่มีข่าวมาสองปีที่แล้วสองสามปีที่แล้วพ่อกับน้องชายนะฮะพ่อกับน้องชายคนะ่าค่าลูกกับพี่ชาย ไม่ใช่ไม่ใช่อยากฆ่าหรอกมันเระมันจะฆ่าพ่อน่ะจะฆ่าพ่อครับพี่ถือแสดงว่าสอนแรงนรี่สิทนน่ากลัวมากคนเราทําไม่ละอายตบาาไม่ถระดุ้งกลัวตบ่าบาันก็ทํำอะไรได้ทุกอย่างประการต่อไปคือริษยาริษยาอะไรฮะยิ้มริษยาในการได้ลาบได้สักการะชื่อเสียงของคนอื่น ฤิสยาในการได้ของบุคคลดีได้ดีได้ไม่ดีไม่รู้ตัวเองฤิสยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือได้ดีๆฤิสยานั้นจะเกิดขึ้นที่คนดีซึ่งเขากระทำความดีก็มีลาบมียศมีลาบมีสักการะมีชื่อเสียงอด้สถานะต่างๆคนเหล่านี้ก็จะมีความฤิสยา ยางที่เคยบอกเคยตั้งข้อสังเกตให้ท่านคิดนะฮะว่ากิเลสทำไมมันผสมอย่างเงี้ยที่จริงอย่างธรรมามก็ผสมนะฮะอย่างอาการให้ทานทจริงมันก็ผสมหมายความว่าเราต้องไม่เสียดายในของที่เราให้เราต้องไม่โกรธในคนที่เราให้แต่คนที่เราจะให้เราเกลียดเราโกรธเราไม่มีทางให้เลก แม้เราจะไม่เสียดาของมาตามเราะันมันมันมั น, ม น, มนจึงไปละ ก, กิเลสได้สองอย่างริศยามันก็มีลักษณะอย่างนั้นคือมันเกิดไปจากกิเลสสองอย่างแต่โคตรก็กิเลสน่มันแน่นอนนะโมหะเนี่ยมันมีอยู่ริศยาก็คือเห็นคนอื่นได้ดีนิโทนอยู่ไม่ได้ ตรงนี้ภาษาไทยเราใช้ปิดุัวคำใช้คําว่าอิจฉาอิจฉาเนี่ยจริงๆแปลความปรารถนานะฮะเป็นภาษาบาลีทาริษยาเนี่ยบาลีก็เรียกว่าอิจฉาสเสือถ้าอิจฉาเนี่ยแปลว่าความปรารถนาเป็นอาการมโลภะเป็นการความต้องการปรารถนาอยากได้ ว่าน่าจะออกเสียงยากยังไงไม่ทราบแม้แต่พระเองก็พูดไม่ถูกพระเองไม่เรียกอิสานะฮะไปเรียกอิจฉามันกันอิสานั่นเป็นเป็นเป็นโลกนะฮะเป็นโลกลิษยานั้นปนกันทั้งโลกทั้งโกรธอิสานี่ทั้งทั้งโลก ท, ทั้งโกรธปนกัน พี่เราโกรธในคนแต่เราโลภในของในลาบในสักการะในชื่อเสียงของคนอื่นหรือที่คนอื่นเขามีเนี่ยเราเราเกิดโลภอยากได้แต่พอดีคนอื่นเขาได้เราก็ริษยาคนนั้นเราก็โกรธคนนั้นเพราเรียกรวมก็คือริษยาเป็นปัญหาภูเขาท่านทั้งหลายลองลองเฝ้าเกตนะฮะว่าฮิริโอตปะเนี่เป็นธรรมะคุ้มครองโลก เมื่อไม่มีหีริอตตปะก็เป็นธรรมะทำลายโลกวิษยาที่ทำโลกกั้พินาศ ก, ก็เสร็จทั้งสองข้อเลยทีนี้ถ้าเราถามว่านวิศยาในเรื่องอะไรวิษยาในเรื่องลาตสักการะชื่อเสียงสรุปนะฮะเรียกว่าโลกธรรมฝ่ายที่หน้าปราถนาปร า, า, า, ปราจเสินเสิน ส, สุข ก็คือเล่าส ก, การะ ช, ชื่อเสียงก็คือการเนี่ย น, นะที่คนอื่นพระได้เมื่อเราแสวงหาเราไม่คำนึงถึงวิธีการได้คือไม่ละอายตบาะไม่สุดุโปวตบะเพราะคนอื่นได้เราก็ริษยาปัญหาใหญ่เลยแล้วข้อต่อไปคือตรณีตรณีนั้นพึงสังเกตว่าเราตรณีในของนะะ แต่เราไม่ชอบในคนเหมือนกันเราจะนีในของเราไม่ชอบในคนแต่ว่าเป็นหนี้นของเราเราไม่ยอมให้แกคนอื่นในกรณีที่คนนั้นเราไม่ชอบแต่ถ้าเราชอบเราก็ให้ริษยานั้นของคนอื่นนะฮะล่าจการาชื่อเสียงในของคนอื่นแต่เราริษยาเขาแ่ป็นหนีในของเราของเราเราไม่ต้องการให้เขา ในกรณีที่เราไม่ชอบเขาตกะนีก็ออกมาในอะไรละห้าเรื่องใหญ่ก็เรียกลาภัจฉริยะกรณีผลประโยชน์ไม่ยอมเฉลี่ยแบ่งปันไม่ยอมสงเคราะห์นกเคราะห์ผลประโยชน์บุลามาจัจฉริยะกรณีสกุลสนีพวกสนีสกุล ไม่ต้องการให้ใครมาเกี่ยวข้องกับคนในตระกูลเราหรือว่าไม่ต้องการให้คนอื่นมาเข้าากับคนที่ในตระกูลที่เราเกี่ยวข้องอยู่แล้วก็อาวาสมัตริยะตระนีที่อยู่ตระนีที่อยู่ที่อาศัยไม่ต้องการให้คนมาอยู่ด้วยมาอยู่ร่วม แล้วก็วัณนณนมัจจริยะตรณีผิวตรรีพวกตรรีความดีก็แล้วแต่นะฮะแล้วแต่จะพูดถึงอะไรวัณณบั น, นมันก็มีความหมายหลายอย่างอย่างนึงก็คือผิวนั่นเองผิวพันธุ์อย่างที่สองก็คือกลุ่มสกูลพวกเต็นพวกวัณณปราศพราหมณ์แพทย์สูตรอย่างนึงก็คือความดีความดีนั้นเราไม่ยอมไม่ยอมบอกกล่าวไม่ยอมชี้แจงอะไรให้แก่บวคคลอน แล้วก็ธรรมะวัจยะจะหนีความรู้จะหนีธรรมะเราจะเห็นว่าเป็นของของเราแต่เราหวงไม่ให้คนอื่นทำไมถึงไม่ให้เพราะคนนั้นเราไม่ชอบแต่ถ้าชอบเราให้นะฮะที่จริงไม่ชอบเราให้แต่เราเกิดความรักความเมตตาต่อคนเราก็ให้ได้แต่ต้องมากกว่ า, ร, าวร่กวนถ้าไม่งั้นก็ให้ไม่ได้เหมือนกัน ตรงนี้ทั้งหมดเราดูแล้วเนี่ยมันมีทั้งเจ็ดข้อนะคือกระทาอะไรไปเพื่อลาภเพื่อสักการะเพื่อชื่อเสียงไม่มีความลายต่อ บ, บาปไม่สะดุ้งกลัวต่อ บ, บาปมีความริษยาเป็นความตนีดูมันเยอะเลยกันนะฮะแต่จริงแล้วคือใจที่ขาดธีริโอตปะนั้นเด็กทั้งหมดมันเกิดจากใจที่ขาดธีริโอตปะ ถ้าเรามีสิโอตตะปะอยู่ภายในใจเนี่ยการสแสวงหาลาบสักการะชื่อเสียงก็จะเป็นการสแสวงหาในทางที่ชอบธรรมแล้วไม่ได้ทําอะไรเพื่อมุ่งสิ่งเหล่านั้นเพราะสิ่งเหล่านั้นที่จริงมันมั น, ม, นมันไม่มีอะไรอนะฮะมันมันเป็นสังขารแต่นั้นเองได้ไม่ได้มันก็ต้องไม่ได้คือเราต้องทิ้งทั้งลาบสักการะทั้งชื่อเสียงเนี่ยมันไม่มีอะไรคงทนทักอย่างเป็นสังคตรธรรมแต่นั้นเองเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป เป็นธรรมชาติธรรมดามันไม่เหมือนความดีความดีนี้มันก็เป็นตราประดับใจเราแม้จะโลกจะลืมนะแต่ว่าอยู่ที่ใจเราตราบใจที่เรายังมีความดีอยู่เราก็ไม่ตกนำ้ำวิสยาดันีเราจะเห็นว่าเป็นอาการของกิเลสที่ใจซึ่งขาดความละอายต่บบาะดุ้มโกรธตบบาบ มันปล่อยเกิดขึ้นตรงนี้ถ้าเรามีฮิริโอุตปะแล้วมันก็เราเราคุมก็ได้นะคุมก็ได้จะไม่สยสอยจะไม่ตรณีธรรมะทั้งเจ็ดประการนี้เมื่อรวมแล้วก็คือคื อ, ค, อคือตัวหลักใหญ่ก็สองไงนะสิริโอุตปาฏถ้าคนไม่มีเออวไม่ใช่ถ้าคนมีสิ่งเหล่านี้อยู่อย่างไดอย่างหนึ่งนะ แม้จะปรารถนาให้ตนเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของบุคคลอื่นแต่ความต้องการ น, นั้นก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าไม่ได้สร้างเหตุไม่สร้างเหตุได้เกิดความรักไม่สร้างเหตุได้เกิดเป็นที่พอใจสงสารของบุคคลอื่นแต่ในขณะเดยียวกันก็ส่งแสดงเหตุที่เรียกว่าปิยาพิยะคือเป็นที่รักนะ ที่ยากไปว่าเป็นเป็นที่รักไว้ก็ตรงเงินครับหมายความว่าไม่กระทำอะไรเพื่อเพื่อลาักราระชื่อเสียงสมบัติตัวเองในลาศกราระสมมติว่าเรามีเราก็พร้อมที่จะสละแบ่งปันสมเพาะนอเพาะเคื้อคูลกันศักการะก็เหมือนกันถ้าคนอื่นก็มีก็เป็นเรื่องของเขา อย่างที่พระเจ้าทรงใช้กับว่าการสรํารวมระวังเป็นเรื่องของกัจจปะการทำบุญเนี่ยเป็นเรื่องของพูดทางการบุญแต่ในขณะเดียวกันคนที่ทำเนี่ยเขาก็ไม่หลงยึดติดในสักการะเห่านั้นแต่โดยเฉพาะอ ย, ายิ่งชื่อเสียงเนี่ยมันก็เสียงนะฮะ ชื่อเสียงชื่อเสียชื่อก็เสียงนี่มันมันมันมันใกล้ๆกันมากชื่อเสียงเนี่ยมันเอาวันยุคเอกใส่เข้าไปก็เสียงแหละตัวงอหายไปก็เสียแล้วมันก็ใกล้ๆกันปนๆกันเราจะเห็นว่าคนที่มีชื่อเสียงมากๆจึงถูกอะไรมาสร้างภาพในทางโลกตอนนี้บิลลีสินตันกำลังย่ำแย่ เกินไปขุดเอาสมัยไหนก็ไม่รู้มาเล่นตั้งแต่เป็นหนุ่มๆ น, นะฮะไม่ไม่ไม่ยอมรับไม่ยอมไปรบรบตรงกรามแล้วก็เป็นปัญหาเรื่องผู้หญิงอะไรต่ออะไรหมอเจอตุงเพื่อนยังขุดผีมาเล่นเรื่องผู้หญิงไงตอนเนี้ยแย่อะไรเพื่อนตายไปตั้งสิบสามถสี่ปีนะฮะหมอเจอตุงเนี่ยนี่ก็คือ พนที่มีชื่อเสียงมากเนี่ยมันเป้ามันเด่นเป้ามันชัดมันเป็นที่ริษยาของคนเลวเป็นที่แข่งดีของคนบางพวกนี่บางทีมันก็โดดเด่นมากไปก็ต้องดึงมาดึงลงมาเทีจะทําให้เป็นอยู่ลําบากไปไหนมาไหนที่จริงมันก็เดือดร้อนนะฮะมันไม่จะสนุกอะไรทั้งนั้นการความเป็นตัวของตัวเอง ถ้ามันได้มันก็มาแต่อย่ายุดติดเพราะมันเป็นวัตถุกรรนะครับแล้กการต่อไปก็คือมีฮิริโอตปะฮิรินั้นอย่างที่บอกว่าเป็นมโนธรรมแต่ามาชุดนี้จะเน้นเยอะเลยนี่อยู่ในสตกนักะนิบาตของพุทธนิกายนะฮิริโอตปะเนี่ยเปิดไปดู เ, เราเกือบเครื่องเล่มประจัยวิโดตรงเนี้ย มีฮิริโอตปาอย่ทั้งนั้นเลยพระฮิริโอต ป, ปะมันเป็นฐานเป็นมโนธรรมเป็นจิตสานึกที่จะคุมใจเราเองเราอยู่คนเดียวเนี่ยเราไม่ทำชั่วแตเรามีฮิริโอตปะแต่ถ้าขาดฮิริโอตปะอยู่ท่ามกลางคนมันก็ทำได้นะทำชั่วได้อย่างนั้นเรียกว่าโลกปาละธรรมเป็นเทวธรรมเป็นสุกธรรม เทวธรรมก็คือธรรมะอันประเสริฐหรือธรรมะที่ทําคนเป็นผู้ประเสริฐหรือธรรมะที่ทําคนจะเป็นเทวดาเป็นสุขธรรมเอตมาขวายขาวเป็นพวกอุศนลธรรมนะฮะแต่พระพุทธเจ้าเรียกดํากับขาวพวกดําพวกอุศนเรียกกันหัดธรรมก็ทําขวายดํำสุขธรรมก็ทําขวายขาวมันนึกถึงหงยินหยางไนะหมฮะยินหยางนี่เต่าก็อธิบายว่าเป็นผู้หญิงผู้ชาย เป็นลูกปลาสองตัวควายสลับกันนะนะอยู่ในวงกลมวันก่อนพบหมอเสมพมิ้งผงแก้วเขาคุยในตำนองแค่แค่เป็นพลังอำนาจแต่มามองอีกเรื่องหนึงเลยมามองว่าเป็นกุศลกับอกุศลคือมันไผ่มันต่อสู้กันอยู่ภายในใจเราตัวขาวก็คือกุศลธรรมตัวดาก็คืออกุศลธรรม เดี๋ยวมันต่อสู้กันในภายในดวงใจเราตัวใดที่มีกำลังมากมันก็บีบอีกตัวหนึ่งนะพอตัวขาวก็แพร่ไปเต็มพื้นที่ตรงนั้นมันก็ขาวหมดใจมันก็ขาว บ, จ, าวบจ้าเรียกว่าสุกธรรมตัวดำตัววิชาตัวมืดนะฮะตัวมืดมันก็เป็นการหัดทือธรทมที่ดำ แต่มันแผ่ไปเต็มพื้นที่ใจเราก็ดำพอดำแล้วก็เยี่ยมเกลียมมาทีเนี้ยมันหมดเลยไม่รู้บาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ไปกันใหญ่นะแต่สรุปว่าหินอย่างนี้คิดยังไงก็ได้นะคิดยังไงก็ได้แต่แนวพุทธเราเนี่ยมันมันรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายมันมันมน่ไม่ไม่เคยมีเหตุผลอะอธิบายไปแล้วมันติดแต่ถ้ามองถึงธรรมะฝ่ายดำฝ่ า, ายขาวแล้วเนี่ยก็มีเหตุผล มันเป็นสิ่งที่เราดูที่จิตเราได้ว่เออจิตเราพุทีิมันมก็ต่อสู้กันยุ่งนึนกันนะฮะต่อสู้กันระหว่างความโลภกับความเสียสละนะกับสติกับความเพ้อเรอกับความโกรธกับความเมตตาตอะไรแต่ละเนี่ยมันมันที่จิตมันก็ต่อต่อสู้กันอยู่ตลอดเพราะันตัวสุกธรรมเลยธรรมากายขาวในฮิริโอตะปะเนี่ยก็เป็นธรรมกายขวาวแต่แต่ว่า สรุปกุศลธรรมทั้งปวงนะฮะกุศลธรรมทั้งปวงนะเป็นธรรมะฝ่ายขาวแต่ทรงเน้นที่หิริไว้มากหิริโอตัปปสัมปนาสุ ก, กธรธมัสมาหิตาสันโตสัพปริสาโลเกเดวธรมรมะติพุชเรียกทั้งสองคำในจุดนี้หิริโอตัปปะบุคคลใดที่สมบูรณ์ด้วยหิริโอตัปปะซึ่งเป็นธรรมะฝ่ายขาว สัตว์ประุดพูดสงบในโ ล, โลกนี้เรียกบุคคลนั้นว่าเป็นผู้มีเทวธรรมคือธรรมะที่ทําคนให้เป็นเทวดาเป็นผู้ประเสริฐราบสกการะชื่อเสียงเกิดไม่ได้ว่าอะไรนะฮะมันเกิดก็มันเกิดปัญหาสําคัญอยู่ที่ข้องติดหรือการไขวยคว้าปรารถนาเพื่อได้เพื่อถือเพื่อมีเพื่อเป็นไปยื้อแย่งกันหรือไม่พวกนี้ถ้าเกิดขึ้นแก่ท่านที่เป็น สัตว์ุรุษที่มีติอุตปะปังก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลแกคนอื่นน่ะเห็นว่าคนเนี้ยมีคนขับรถมาถือมากแต่ว่าท่านเป็นคนที่มีคุณธรรมสูงแล้วก็าอ ง, ง้องเกลียทองไปให้ท่านถ้าก็ช่วยเหลือสังคมเกื้อกูลเป็นประโยชน์แก่สังคมเยอะแยะไปหมดเลยตั้งก็ไปเอาไว้นะฮะเป็นทางผ่านก็ฮิริ มันจะเกิดขึ้นโดยพื้นฐานพื้นฐานหนึ่งก็คือชาติชาติเนี่ยคือชาติกําเนิดชาติกุลบางคนเราที่มีพื้นฐานเรื่องนี้อยู่สูงจํานวนอภิธรรมเรียกว่าสัตว์ในไตรเหตุมายความมาเกิดขึ้นโดยใจที่ผ่องแพ้วประกอบด้วยอะโลพาตุสาโมหะในขณะนั้นใจมันผ่องแพ้วแล้วมาเกิดมาอย่างนั้น พื้นฐานการละอายต่อบาปมันมีเป็นจิตแต่สันดาน โ, โดยโดยโดยกําเนิดเป็นความสําเร็จโดยกําเนิดแต่ในแง่ของกรรมพวกนี้ก็เป็นชนกกรรมนะกรรมนําให้เกิดเด็นไตรเหตุไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแรงนะฮะถ้าไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเลยก็อะไรล่ะก็ <c oughs> เป็นเป็นประหารไปแล้วนะ ไอ้วันก่อนไปคุยกับท่านคนหนึ่งไอ้ท่านแปลกกันนั้นเชื่อได้มีคนมาบอกว่าเขาใะจุติมาจากอะไรมันสูงกว่าพรหมโลกะอีกมาในโลกนี้กันสี่คนมาช่วยรื้อพื้นศาสนาอะไรก็เชื่อได้แปลกจังอมาเลยงงไม่รู้เรื่องอลยมันพรหมโลกมันเหนือพรหมโลกมันไม่เกิดแล้วอะนะ มันสูงสุดแค่พรห ม, มโลกแต่นั่นเองสูงสุดแค่อนิจพภ์เท่า น, นั้นเองพภ์นะฮะแล้วก็เป็นพรหมเป็นนาคามีพรหมมังจากเหนือกว่าพรห ม, มโลกอีกมันนึกไม่ออกมันมีที่ไหนนะเก่งจังอ่ะเก่งกว่าพระพุทธเจ้าพระเจ้าตัณฑเทศโดยแค่นั้นนะฮะแค่แค่อนิตภพภ์เท่า น, นั้นเองครับแต่นี้สูงสูงกว่าพรหมนะฮะแล้วยังมาเกิดอีกเลยไม่รู้อะไรเลย ถ้าสูงกว่าพรหมเลยไม่เกิดพระอนาคามีเองยังไม่มาเกิดเลยนะพรหมมาโลกตั้งห้าชั้นเนี่ยนะฮะยังไม่มาเกิดในโลกมนุษย์เลยนี่เหนือกว่าพรหมมาโลกยังมาเกิดในโลกมนุษย์ยอีกนี่แสดงให้เห็นอย่างหนึ่งว่าเราไม่ได้คิดให้สมเหตุสมผลกันก่อนไปดูผูุ้ายนะฮะแต่เขาก็นับถือนับถือคิดก็อธิบายเรื่องพระเจ้าเขา ตามตามมิดีให้พอรออกด้วยมานั่งนึงนกๆคำ้คำครับคือเราอเรานั่งดูเอมันเชื่อได้ยังไงอ่ะมันเชื่อได้ยังไงว่าพระเจ้ามาถ่ายบาป พ, พระผู้ถ่ายมาถ่ายบาปไอ้มนุษย์มนุษย์จะไม่มีบาปจะไม่มีโรคจะไม่มีภยัยไม่มีโรคอะไรโรงพยาบาลเต็มไปหมดเลยถ่ายบาปมื่กี่ปีลระบาปเต็มบ้านเต็มเมืองเเลยเอยมันเชื่อได้ยังไงมันแปลกจริงมันเชื่อได้ยังไง อันนี้ก็คือคื อ, คอเราไม่มองเชื่อมาเราบอกว่าโลกไม่มีบาปแล้วทาไมโลกมั น, ม, นมันมีแต่เดือดร้อนเอะโลกไม่มีโรคทําไมสร้างโรงพยาบาลทำอะไรแล้วก็บอกต้องต้องถึงพระพูเป็นเจา้าไอ้ตัวบาทหลวงเองก็ป่วยนะฮนะมันเหมือนกับลุงน้องโยเร่บันก่อนมาว่ามันก็แปลกมานั่งอธิบายเราฟังไอ้ตัวลูกของเจ้าของโยเรเองนะป่วยไป็นมาเร่งอยู่อะ แผ่รังสีออกจากมือรักษาหายนั่งไอเ็นเชื่อได้แปลกจริงๆแกไม่ดูไอ้คนที่แผลให้เพื่อนมันก็นอนแผลอย่างเนี้ยมาเร็งกินกำลังจะตายไปตายแหล่อย่างแกเชื่อได้ก็ต้าแน่จริงก็แผลตัวเองหายไปก่อนได้เออก็ที่จริงโบราณก็สอนตั้งแต่หมอคังคกแล้วหมอคังโคกน่ะเป็นตัวอย่างที่สอนมาให้เราได้คิดอ่ะ ก็คังคอกเป็นยังคิดเป็นเนะี่ยมนุษย์งคิดไม่เป็นเอ้ยม า, ม า, มารักษาโรคเป็นตะปุ่มตะปามรักษาโรคผิวหนังมาให้รักษาโรคผิวหนังอะไรแกเต็มแกผิวหนังครุขระตะปุ่มตะปามรักษาตัวเองให้ได้ก่อนเนตะแล้วจะเห็นว่าคังคอกยังคิดเป็นเนี่ยนะฮนิทานสุภาษิตอะไรเนี่ยที่ที่จริงมันก็ให้อะไรเยอะนะถ้าไม่เราไม่เอามาเป็นเครื่องมือในการคิดในเรื่องแบบ ทีริมันก็เกิดขึ้นมาเนี่ยวัยอย่างหนึ่งคืออายุเราเพิ่มขึ้นอายุเพิ่มขึ้นเนี่ยนะจะทำมันจะทำให้ก็ไม่แน่นกันนนะแต่ว่าโดยโดยปกติแล้วอายุเพิ่มขึ้นในทีริก็จะเพิ่มขึ้นนะและการศึกษาที่มุ่งพัฒนาจิต ในความาการศึกษาที่เราศึกษาแล้วเนี่ยความโรคความกวดความ ล, ลงลดลงไปนะฮะเราก็ไม่ถึงกับพูดหมดไปหรอกแต่มันลดลงไปทงหมดไปได้มันก็ดีอ่ะและจิตใจที่เข้มแข็งเราจะเห็นว่าจิตใจที่โกรธง่ายเนี่ยฮะหือ ท, ทำวางอำนาจบาดใจะอะไรๆเราเนื้อว่าใจแข็งไม่จริงใจอ่อนน่นะฮพวกนั้นใจอ่อนนะฮนะพูดอะไรก็ โกรธอะไรก็โลภอะไรก็หลมเนี่ยที่จริงพวกใจอ่อนไม่ใช่ใจแข็งฮะพวกที่จริงขาดพวกขาดพวกกลัวตั้งหลายพวกนักเลงตั้งหลายจริง ม, ม, มันไม่แน่จริงอะไรนะบางที่ตัวเล็กนิดเดียวยังขู่ปืนยังยิงก็เลยมันไม่มันไม่มไม่จะกดแน่จริงอะไรอะ่ะเราก็เขาเรียกคนคนอ่อนไหวจิตใจมันอ่อนไหวแพ้ใจตัวเอง เพราะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติธรรมะได้เนี่ยใจต้องเข้มแข็งอิริโอต ป, ปะะเรียกว่าสุรภาโวคือมันมีสภาพของความเข้มแข็งความกล้าหาญอยู่ภายในใจต้านทานอารมณ์ต้านทานอำนาจของกิเลสได้โอติต ป, ปะคือความสะดุ้งกลัวต่อบาปแล้วก็ผลของบาปเป็นการมองตัวบาปแล้วก็ผลของบาป จึงบทเรียนแย่นะฮะตรงเนี้บทเรียนเราเจะแต่เราก็ไมรู้จะว่าอย่าไงไรนะคืออย่างนึก น, นกว่าเออพระพุทธเจ้าเองนั่นก็ทํางานมาตั้งนานวันก่อนไปเจอหลุงพี้ที่ต่างจางาังหวัดเขาเป็นเจ้านาจังหวัดที่ระยองแม่พูดดีแกแกบอกว่า พระสงฆ์รณรงค์เรื่องอบายามุกมาสองพันกว่าปีแล้วยังไม่ประสบความสมเร็จเอาเรื่องเดียวนะฮะเราก็ยะททำอะไรไม่ได้เลยอบายามุกก็ยังมีเต็มบ้านเต็มเมืองวานันที่อุรปานี่มันเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นเรื่องภูเขาจริงๆคือหนึ่งคนเราต้องมีจิตสำนึกมีความภาคภูมิในความเป็นมนุษย์ของตัวเอง เห็นว่าการทําอะไรก็ตามที่มันไม่เหมาะไม่ควรเนี่ยเราก็ติเตียนตัวเองได้ตําหนิตัวเองได้แต่ประการต่อไปก็คือให้ความสําคัญแก่คําพูดแก่ความคิดเห็นของวินิจฉัชนคือผู้หลักผู้ใหญ่ท่ทานในทวงติง้งท่านจะตําหนิเมื่อเรามีการกระทําที่ขาดความละอายแต่ถ้าใจเราขาดสํานึกมันก็ก็ช่วยอะไรไม่ได้เหมือนกัน การต่อไปกลัวอาจาของบ้านเมืองอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่น่าคิดนะเราจะเห็นว่าเมื่อคืนมองคิดถึงคนตัดไม้ทำลายป่านี่ไปทำยังไงถ้าถามมาแกรู้ไหมแกก็รู้นะแต่ว่าแกก็คิดถึงแกจะอยู่แกจะเป็น มันเป็นปัญหาสังคมที่เราแก้เฉพาะจุดใดจุดหนึ่งไม่ได้เราให้การศึกษาอย่างเดียวบางทีพวกการสามารถนะอยู่เบื้องหลังการตัดไม้ทำลายป่ามันจะต้องพัฒนาจิตใจสร้างจิตสํานึกแก้ปัญหาโง่จนเจ็บไไอะไรต่างๆที่มีอยู่ภายในสังคมเรื่องใหญ่ามากๆเลยอยการตัดไม้ทำลายป่า วันก่อนไปอบรมพวกป่าไม้ทั้งสามสามสี่สี่สี่หรือห้าร้อยคนเนี่ยตัวเป้งแป้ง น, น, น่นะสี่เจ็ดถึงสี่สิบอกว่าคาราชการเนี่ยจะเป็นหมื่นๆมืนเยแต่ป่าไม้มันหมดไปเรื่อยๆยอยีกคนยิ่งมากป่ายิ่งหมดไปมากๆทำงานยังไงก็ไม่รู้เป็นเรื่องที่น่าหินใจนะหินใจว่าถ้าเราใจเราไม่มีวินัยตัวเอง ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แล้วใครจะมาคุมพอรับตาคนนิดเดียวมันก็ตัดได้แล้วทุกวันมันมีเลื่อดไฟฟ้าด้วยเมื่อก่อนจะตัดไม้ต้นใหญ่ๆเนี่ยโอ้ยว่าจะหลายวันเนี่ยตัดแต่ทุกวันเนี่ยเลือกกดชั่วชั่ว ช, ว ช, วช่วไปเรื่องใหญ่ทั้งนั้นอันนี้ก็คือคือคือคนไม่กลัวต่ออาญาบ้านเมืองก็แกคาธีรีโอตราด้วยนะแกไม่กลัวอาญาบ้านเมืองด้วย และที่สำคัญอย่างยิง่งคือจุดยึดเหนี่ยวใหญ่ได้แก่การภัยในนรกบาปแต่ที่จริงเป็นเหตุได้ตกนรกเบื้อนี้มีมีคนพูดแปลกกันก่อนนี้ก็ฟังรายการที่ว่าเนี่ยเขาบอกพวกขายสวรรค์พวกขายสวรรค์ไม่ไม่ทราบหมายความว่ายังไงนะฮะ แต่จริงสวรรค์นะรบผู้เจ้าแสดงนะผู้เจ้าแสดงไว้ทุกแห่งอย่างที่บอกเนี่ยกระสีเลยนะสุกติยันติมันก็อยู่ตั้งแต่ที่ศีลมาเนี่ยก็อยู่อย่างงั้นน่ะนะแล้วพระก็แสดงตามที่พระเจ้าท่านว่าท่านว่าไว้ท่านว่าไว้ยังไงก็ว่าอย่างนั้นน่ะนะเพราะพระไม่ได้สอนคําสอนตัวเองแต่สอนคําสอนพระพุทธเจ้าพระเจ้าว่าไว้ห้าข้อเราก็เอามาครบทั้งนห้าข้อท่านบอกว่าไม่หลงตายตายแล้วบังเกิดในสุกตินะข้อ ข้อที่สี่ข้อที่ห้าว่าอย่างงั้นก็ว่าอย่างงั้นก็ว่าอย่างงั้นทุกเทียอะเป็นการถ่ายทอดไม่ใช่ขายสวรรค์นะฮนะไม่ได้มีไม่ได้มีไอเจตนาอะไรจะขายสวรรค์อย่างเงี้นยังไม่เข้าใจว่าหมายความมาอย่างไงแล้วเป็นจำนวนของพวกพระด้วยนะพูดอย่างเงี้ยเป็นจำนวนพระรุ่นใหม่ๆก็ไม่ใหม่เท่าไหร่นะฮะตรงนั้นที่จริงที่จริงพระไม่ได้ว่าเองอนะ เรื่องนรกสวรางเนไม่ได้ว่าเองเลและโอตปะตรงนี้ก็เหมือนกันนะภายในนรกพระุทจา ก, ก็ว่าเองแปดข้อทั้งๆ ท, ทั้งหมดที่แปดข้อที่ว่าเนี่ยเหตุเกิดหิริสี่ข้อโอตปะสี่ข้อพุทธเจ้าแสดงเองเป็นหลักธรรมที่ปรากฏในพระไตรปิฎกแต่เรามาเอาเกณฑ์เหล่านี้มาเทียบเคียงเราก็เห็นว่ามันก็ขาดประการต่อไปคือความริษยา ไม่ริษยาก็คือมุติตานะฮะไม่ริษยาคือมุติตามุติตาเป็นการมองความเจริญก้าวหน้าของคนอื่นด้วยความชื่นชมยินดีเดินเขาประสบความสำเร็จเขาเจริญก้าวหน้าเขาจบการศึกษาเขารรลุมรคลอะไรแต่อะไรก็ต า, ามเราก็ชื่นชมยินดีเป็นชื่นชมยินดีในความดีชื่นชมยินดีในคนดีแล้วก็บ้องไปที่การกระทําดีแล้วก็มองไปที่ความดี เราก็นําความดีเหล่านั้นมาเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติก็คล้ายๆกันที่เราเรียนประวัติพระพุทธเจ้าเราเรียนประวัติพระพุทธสาวกเทระคาถาเทรีคาถาวิมานวัตถุเรื่องคนดีๆตั้งนั้นนะี่ยนะแล้วเรียนแล้วเราชื่นชมเรามุติตาที่เรียกว่า พิสูจทั้งหลายเพลิดเพลินชื่นชมชื่นชมเพลิดเพลินในพาสิตอันพระภู้มีพระเจ้าทรงแสดงแล้วเนี่ยอัตมนาเตติคู่า พ, พากวาโตภาติตังอวินันดุงภาษาบาลีจะบอกงั้นพิสูจทั้งหลายมีความชื่นชมยินดีในภาสิตอันพระภูมีพระเจ้าทรงแสดงไว้แล้วเราชื่นชมในตัวคนก่อนนะแล้วก็มองว่าเขาทํำยังไงก็มองที่การกระทําเขาด้วยความชื่นชม แล้วมองไปที่ความคือคุณธรรมคุณธรรมที่เป็นเหตุให้เขาประสบความเจริญล่านั้นลาบตะ ก, กรชื่อเสียงอย่างที่ว่าไว้ในตอ น, นี้เราไม่มองด้วยความริษยาอย่างเงแรกแต่มองด้วยความชื่นชมขเขาในขณะเดียวกันก็พยายามถือตามปฏิบัติตามเอาท่านเป็นแบบเป็นหลักในการปฏิบัติตนเอง เป็นโมดิตาหรือว่ามุจิตาเพลิดเพลินชื่นชมยินดีในคนดีในการกระทำดีในความดีซึ่งมีอยู่ในคนเหล่านั้นทั้งหมดมาที่ชื่นชมในตัวความสุขก็ได้นะลาบยศลาบสกราชื่อเสียงความสุขเราอาจจะชื่นชมในตัวความสุขแล้วก็ชื่นชมในคนในรับความสุขชื่นชมในการกระทำ ของคนคนนั้นที่เขาได้รับความสุขแล้วก็ชื่นชมในตัวธรรมะมองจะตัวไหนก็ได้แล้วผู้จัดที่จริงใช้ทั้งสามทั้งสี่แนวนะฮะใช้ตัวผลคือความสุขใช้ตัวคนเช่นพระอา卡สาวกเช่นกเทวดาเช่นพวกวิมานพวกทั้งหลายเนี่ยแล้วใช้ตั้งตัวความคือการกระทําการกระทําการพูดของคนเหล่านั้นแล้วก็ใช้ทั้งตัวธรรมคือความความละอายความสะดุ้งกลัวอะไรแต่ไรเนี่ยฮะความ เมตตาความกรุณาเนี่ยก็ต่อไปก็คือไม่สนิได้แก่ความเสียสละเนื่องจากความสนีทเป็นกิเลสสองกลุ่มคือโลภ ก, กับโกรธนะฮะโลภ ก, กับโกรธไอ้หลงนั้นนั้นเขาไม่ต้องพูดเขาว่านะฮะเขาก็ติดอยู่ตลอดแตการขาจัดความสนีทไปได้จึงขจัดกิเลสได้หมดทั้งโลภทั้งโกรธทั้งหลง ในลาภผลต่างๆที่เราได้เรามีอยู่เราก็พร้อมที่จะสงเคราะห์นุเคราะห์ช่วยเหลือหรือว่าบูชาความดีของบุคคลทั้งหลายไม่หวงสกุลหวงสกุลนี่ท่านท่านท่า น, ท, านที่เคยเล่านานๆนา น, น, า น, น, านหลายปีแลวนะเรื่องพระที่เกิดเป็นชัมบุกาจีวกนะที่ ท, ท, ที่ที่กินอุจระแล้วก็ พ่พรก็ไม่นุ่งมาตั้งแต่เด็กนะฮะพอ่อพรไม่นุ่งมาตั้งแต่เด็กแล้วก็กินอุจจาระเนี่ยมันเกิดไปจากความริษยาริษยาในลาศกะระที่ประหันได้จากสกูลอุปถาของท่านในชาติก่อนโน้นนั้นนี้นะแล้วก็ออกผลมาลักษณะ น, นั่งแล้วก็ไม่จะนีที่อยู่อาศัยมีการสงเคราะห์นเคราะห์กันตามสมควร แต่เรื่องนี้ต้องระมัดระวังนะฮะสภาพสังคมมันเปลี่ยนแปลงอย่างที่เคยบอกว่าเมื่อก่อนสังคมไทยเรานั้นยังไงยังไงมันก็อยู่ได้อะนอนอินขวัดนอนศาลาห่ผมผ้าผีเดี๋ยวนี้น่ากลัวไปหมดคือคนมีภาพลักษที่น่ากลัวทําให้คนดีเนี่ยไม่กล้าทําดีเพราะมังก็ค่อนข้างเสี่ยงนะฮะค่อนข้างเสี่ยงแม้แต่พระเองยังถูกจับมัดเลย อย่างเงี้ถูกจับมัดถูกต้นพระพุทธรูปยังถูกตัดเสียรเรื่ความตกต่ําที่ก็ไม่รู้ยังไงฮะเราก็เกิดมายุคนี้นก็อยู่ด้วยกันฮะแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่ามองว่าไอ้ความตกต่ําในแนวนี้มันตกต่ำลงแรงทงั้งๆที่ความเจริญก้าวหน้าด้านต่างๆก็เพิ่มขึ้นเยอะแต่ว่าจิตวิญญาณของมนุษย์นี่ตกต่ำลงไป แสดงถึงการขาดที่ดีอุตสรรคมากขึ้นนะนะฮะเพิ่มขึ้นแล้วถ้าเราไม่จะหนี่จะด่ดางนะฮะเราก็ไม่ตาคนเราไม่จะได้ของนะฮะไม่ตาโกดไม่จะได้ของแล้วก็พร้อมที่จะ เ, เพื่อแผ่ความรู้ความดีสิ่งดีงามทั้งหลายเป็นการร่วมคาะกันแนวทั้งหมดเราดูแล้วมันมั น, มน ในถ้าธรรมะเยอะนะครคล้ายธรรมะตั้งเยอะทั้งเจ็ดข้อจึงจะเป็นที่รักที่จริงแล้วถ้ามองให้ดีฮิริโอตปะก็คงเป็นฐานหมายความว่าใจที่กรอบฮิริโอตปะนั่นเองจะเป็นฐานให้แต่ราสตากะระชื่อเสียงแล้วเพราะฮิริโอตปะนั่นเองเราก็มองเห็นโทษของความริษยาโทษของความเสน่ห์แล้วก็ลดละริษยาสน่ห์ลงไป อัจใจก็มีธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาถ้ามีอยู่มากเป็นไปได้มากก็จะเป็นการคุ้มครองรักษาโลกตามที่ทรงแสดงไว้อปิยสูตรในวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านสาวชวนทั้งหลายโดยทัวกันทุกท่านทือ